บัดนี้จากแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปคำถามปัญหาของท่านอุปสิลวะมานพนั้นเป็นการถามถึงข้อปฏิบัติในอารมณ์ของสมถกรรมฐานระดับสูง อารมณ์ของสมถกรรมฐานคือกรรมฐานที่ทําใจให้สงบหรือเป็นอุปกรณ์เป็นเครื่องมือในการทําใจให้สงบนั้นวางครังพระพุทธเจ้าทรงใช้คําว่าอารามณูปนิชจานคือการเพ่งดูอารมณ์ ซ, มซึ่งอารมณ์ที่นํามาเพ่งนั้นตามปกติแล้วก็จะเน้นไปในอารมณ์ที่ดีกับอารมณ์ที่เป็นกลาง แต่จะไม่เอาอารมณ์ไม่ดีมาพิจารณาเพราะอารมณ์ที่ไม่ดีเหล่านั้นจะวัยต่อโทสะหรืวัยต่อโลภะหรืออาจจะวัยต่อโมหะแต่อารมณ์ที่เป็นส่วนดีๆก็จะทําให้จิตมีความเสพคุนมีความวัยต่อความดีคือจะซาบซึง้งยินดีในความดีเหล่านั้น อารมณ์ที่เป็นกลางๆ ก, ก็จะทำให้จิตสงบและเข้าถึงความจริงแห่งธรรมดาของสิ่งต่านั้นได้เร็วขึ้นจึงทรงจำแนกแสดงไว้โดยสรุปก็เป็น40สอารมณ์แต่ในอารมณ์ทั้ง40นั้นพึงเข้าใจว่าแม้วัตถุอย่างอื่นซึ่งอยู่ในประเภทเดียวกันและเป็นปัจจัยให้เกิดความสงบขึ้นภายในจิต จึงเหล่านั้นก็ใช้เพ่งพินิพิจารณาได้แต่ในรมทั้ง40ประการนั้นสาหรับผู้ปฏิบัติเบื้องต้นจริงๆแล้วก็จะมีเพียง36อารมณ์ส่วนอีกสอารมณ์สาหรับท่านที่ปฏิบัติจนบรรลุถึงรูปประชานแล้วจึงจะเดินไปในขั้นตอนเหล่านั้นได้ที่ท่านเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอารูปประชาน คือการตั้งสติลึกดูสิ่งที่เป็นอรูปธรรมคือบางอย่างก็ไม่ถึงกับเป็นนามธรรมแต่เป็นรูปธรรม ท, ที่ประณีตโดยชั้นแรกก็เพ่งมองไปที่อากาศจนเกินเกิดความรู้สึกว่าอากาศนั้นก็หาที่สุดไม่ได้แต่ก่อนที่ความรู้ความเห็นจะเกิดขึ้นเช่นนั้น ตัวาสายการบริกรรมภาวนาเช่นเดียวกับการภาวนาพุทโธเหมือนกันแล้วก็มองเห็นว่าอากาศหาที่สุดไม่ได้ต่อไปใจก็จะปล่อยวางในอากาศสํานวนบาลีต่าช้คําว่าเพิกอากาศคือโลกสวนใจในอากาศเพราะอากาศไม่มีที่ตั้งไม่มีจุดแห่งความยึดมั่นใจก็จะไขว่คว้าต่อไปก็สงวางหลักให้ไปพิจารณาที่วิญญาณ โดยเห็นว่าวิญญาณ น, นั้นก็หาที่สุดไม่ได้เหมือนกันความเชื่อถือของคนยุคนั้นสมัยนั้นถือว่ามีวิญญาณสากลแหล่งที่ประชุมของวิญญาณที่นับที่ประมาณไม่ได้แต่เมื่อท่านเห็นว่าวิญญาณก็หาที่สุดไม่ได้ใจก็จะเพิกเฉยเลิกให้ความสําคัญเลิกให้ความสนใจในวิญญาณก็จะมามองสิ่งที่เรียกว่าอากิญจัญญายาตะตนะ คือมองเห็นสิ่งทั้งหลายในโลกนี้ว่ามีอยู่เพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองคือไม่ถึงกับมีโดยสมบูรณ์แต่ไม่ถึงกับไม่มีแต่ว่าจิตจะเห็นเช่นนี้ได้ก็ต้องเป็นจิตซึ่งผ่านความส ง, งบมาแล้วโดยลำตับท่านดูภาษีว่ามนุษย์มาตั้งปัญหาข้ตรงนี้คือชั้นอรูปฌานที่สามโดยท่านผ่านมาเองนั้นผ่านมาถึงอรูปฌานท่านที่สอง พระเจ้าจึงทรงสอนให้ท่านมองให้เห็นโลกในแง่ที่มีอยู่เพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองโดยตั้งใจกำหนดระลึกบริกรรมว่าสิ่งเหล่านั้นมีอยู่เพียงเล็กน้อยเท่านั้นจนใจเกิดเห็นตามคล้อยตามไปในความจริงเหล่านั้นแต่พอท่านกราบทูล ถ, ถามถึงขั้นตอน ที่จะได้จากการปฏิบัติวิธีปฏิบัติและผลที่จะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติก็ทรงสอนอีกวิธีหนึ่งโดยให้ท่านได้เพ่งพินิษ์พิจารณาดูจิตในแต่ละขณะซึ่งการที่ส่งสอนให้มองโดยในยันนี้ก็พึงเข้าใจว่าแท้ที่จริงแล้วเป็นการปฏิบัติ ตาหลักของจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานและธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานในสติปัฏฐานทั้ง4ี่นั่นเองแล้วแทนที่จะให้มองกิเลสอย่างที่ทรงแสดงไว้ในจิตตานุปัสสนาก็ให้มองดูตัณหาซึ่งมันเกิดขึ้นภายในจิตขั้นตอนในการมองนั้นก็ให้มองเห็นว่าตัณหาข้อใดข้อหนึ่ง มันเกิดขึ้นอยู่ภายในจิตของเราหรือไม่ถ้ามีก็ต้องรู้ว่ามีถ้าไม่มีก็ต้องรู้ว่าไม่มีซึ่งแน่นอนการปฏิบัติ ด, ดูจิตว่ามีตัณหาหรือมีธรรมะหรือไม่มีตัณหาไม่มีธรรมะนั้นจิตจะต้องสงบเพราะพวกเหล่านี้เกิดขึ้นเร็วแล้วก็หายไปเร็วสิ่งที่จาเป็นจะต้องใช้แล้วก็ต่มปริมาณในการจับความที่ของตัณหา ก็คือเรื่องของสติสัมปชัญญะและความเพียรเช่นเดิมองค์ธรรมทั้งสามข้อนี้ต้องใช้ในกรณีทั่วไปจนถึงมรรคผลนิพพานผู้ศึกษาปฏิบัติธรรมจึงพบบ่อยๆได้ยินบ่อยๆทางนี้เพราะต้องมีบ่อยๆและมีเป็นประจำนั่นเองลักษณะของตัณหาเป็นอาการของกิเลสทั้งสามกองนั่นเอง ทั้งโลภะทั้งโทสะแล้วก็ทั้งโมหะจะมีปริมาณที่รุนแรงเกิดเพิ่มขึ้นภายในจิตจนบังคับให้จิตดิ้นจิตสายไปในอารมณ์ต่งตางๆกิเลสประเภทนี้ทรงมีชื่อจำแนกแสดงไว้เป็นนั้นมากการเรียกชื่อนั้นเป็นสื่อความหมายให้เกิดเห็นความเป็นของน่ากลัวแห่งกิดเลสต่อนั้น เพื่อบุคคลมองเห็นเป็นภยัยพยายามระลึกรู้ไม่เท่าทันต่ออารมณ์ว่ามีสิ่งตรงนี้เจอปนอยู่หรือไม่และจะได้พยายามลดความรุนแรงลงไปเป็นอย่างน้อยการละการด่าวตหานนั้นเป็นเป้าหมายสูงสุดในการปฏิบัติเำมาตั้นหาแปลว่าจิตที่ดินดน้นรนทเยอทยานจาก ไปในอารมณ์ทั้งหลายถจะตั้งปัญหาถามใจแล้วก็สวจสอบดูที่ใจก็จะเห็นจากใจของตนเองนั่นเองว่าต้นน้ามีลักษณะสายสายไปในอารมณ์ทั้งหลายสายไปถึงอารมณ์ที่เป็นอนดีคไขว่คว้าถึงอารมณ์ที่เป็นอนาคตกํำนัลเพลิดเพลินเรื่องหลงดูในอารมณ์ที่เป็นปัจจุบัน ดังนั้นเมื่อมองดูจิตก็จะพบว่าตัณหาจะเหนี่ยวอารมณ์ที่ตนชอบรักใครพอใจจิตใจเคยให้ความสุขความเพลิดเพลินแก่ตนมาแล้วในอดี ต, ตบางครั้งอารมณ์ในอดีตนั้นยังไม่เต็มไม่อิ่มไม่สมมโนรดความปรารถนาแห่งตนก็ดับไปจางไปหมดไปก็พยายามคอยคว้า สแสวงหาปรารถนาที่จะให้ได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ในอนาคตโดยความรู้สึกอย่างที่ทรงแสดงไว้ในที่ต่างๆว่าขอสิ่งนั้นจงเป็นอย่างนั้นเถิดอยากได้เป็นอย่างนั้นเลยคือใจจะเรียกร้องอย่างนั้นแต่จะถามว่าสมตามความปรารถนาหรือไม่ก็อตอบได้ว่ามีน้อยแต่เป็นการสมความปรารถนาช่วขณะหนึ่งเวลาหนึ่งเท่านั้นเอง แล้วสิ่งนั้นก็จางไปหมดายสิ้นไปเสื่อมไปตามธรรมดาของสังขารทั้งหลายที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันก็เป็นกฎที่มีอยู่เป็นอยู่โดยธรรมชาติธรรมดาบางั้งใจก็กำหนัดเพลิดเพลินดิ้นเดึงอยู่ในอารมณ์ปัจจุบันความกำหนัดเพลิดเพลินในลักษณะนี้มันจะดึงให้เกิดความเคลื่อนไหวจะมุ่งไปข้างหน้า ว่าจะเป็นเรื่องใจเกิดชั้นของความคิดเฉยๆหรือชั้นของการแสดงออกปก็ตาหรือจะดึงจิตให้มุ่งไปข้างหน้ า, า, นาแล้วก็มุ่งเข้าหาสิ่งนั้นปริมาณของตานาที่เกิดเพิ่มขึ้นเหมือนกับหมอกเหมือนกับฝุ่นละอองทุเีต่างๆก็ให้เกิดอาการฟ้าหมูขึ้นภายในปัญญาจักสุดวงตาคือปัญญา บุคคลเริ่มจะมองอะไรไม่เคยเห็นจะขาดเหตุขาดผลมากขึ้นจะมองในแนวใดแนวหนึ่งโดยเฉพาะโดยลืมมองถึงส่วนอื่นขาดการระมัดระวังขาดไหวพริบปฏิพานในการที่จะแก้ปัญหาเพราะจิตที่มุ่งไปด้านเดียวไม่ได้มองอีกสองด้านหรืออาจจะสามด้าน นันบุคคลจึงประสบอันตรายประสบกับความรุนแรงของตันหานั้นอย่างที่ทรงแสดงเอาไว้ว่าใจที่ตกเป็นพาดของตันหานั้นจะประสบความลํา บ, บากตันหะจะไม่มีอาการอิ่มอาการเต็มอาการพอเพราะมีลักษณะทําใจให้พล่องเพียนพยายามที่จะตอบสนองอยู่ตลอดเวลา อาการสายไปของใจในการทั้งสามเป็นการสายไปในเรื่องของรูปเสียงกลิ่นรสผลิภัณฑ์และคงจะเป็นธรรมารมหรือถ้าเป็นอดีตอนาคตก็เป็นเรื่องของธรรมารมเพราะสิ่งเหล่านั้นเกิดแล้วกับตายแล้วเกิดแล้วแล้วก็ตายไปแล้วกับยังไม่เกิดมันจึงเป็นเรื่องของธรรมารมล้วนๆการลมที่เกิดกระจายเฉยปรุงคิดคิดปรุงเอาส่วนที่ตายแล้วก็ตายไปแล้วก็ปลุกขึ้นมาใหม่ เป็นลักษณะของการปลุกผีอารมณ์ขึ้นมาแด็กก็เลือกเอาผีเฉพาะอิดีๆที่ชอบแล้วก็หลอกล้อใจตัวเองถูกขึ้นมาแล้วก็ไม่ได้หลอกใครก็หลอกตายกันตัวเองหลอกให้เพลินหลอกให้รื่นเริงบันเทิงบางครั้งบางรเาถ้ารุนแรงก็จะจมอยู่กับอดีตจะไม่ยอมขยับขยเข้จะมาเผชิญสิ่งต่างๆในปัจจุบันบางทีก็มีลักษณะที่เลื่อนลอย จึงให้ลองสังเกตว่าการออกมาในรูปของอบายยมุกก็ดีหรือการเสี่ยงที่ลงทุนน้อยแต่คิดว่าจะได้กําไรมากกปิดต้นก็ดีเป็นอาการของปัญหาที่สายไปมุ่งหมายผลที่ตนจะได้ในอนาคตเพราะถ้าลงทุนอย่างนี้จะได้กําไรอย่างนี้ก็สึกว่านอนได้สบายสบายไม่ต้องไปเดือดร้อนอะไรมากและในที่สุดก็ค า, าดหมายผลเหล่านั้น จนบางพวกก็ออกมาในรูปท <sm ut> ี่เรียกว่าสร้างวิพันในอากาศโดยสายความมุ่งหมายผลที่ตนคิดว่าจะได้และหวังจะได้ในอนาคตเช่นคนบางบางพวกที่มัวมมวหมกมุ่นอยู่ในการเล่นสลากเล่นหวยต่างๆก็จะอยู่ในโลกของความขวัญคิดปรุงคิดแต่งคิดได้แล้วคิดจ่ายคิดเที่ยวคิดสนุกสนานก็เป็นการปรุงเอวทั้งหมดสิ่งนี้ยังไม่เกิด และส่วนมากมักจะไม่เกิดแต่บุคคลก็หลงเพลิดเพลิน่กับอารมณ์เหล่านั้นนี่ก็คืออาการของกามะตัญหาตระหนาในวัตถุ ก, กามคือที่ใจคนไปกำหนดว่าหน้าใคร่หน้าปรารถนาหน้าพอใจอารมณ์เหล่านั้นที่จริงก็เป็นเพียงสักแต่ว่าอารมณ์เป็นอปยากตะธรรมก ร, รรมะที่เป็นกลางๆลาแกอยู่ก็แกอย่างที่แกอยู่ ไปเปลี่ยนแปลงขั้นไกลอย่างที่เปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านั้นก็ตกอยู่ในสภาพของใจรักคือเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแต่วิจัยคนก็ไปกําหนดเอาไปมุ่ง ม, มา่ปรารถนาเอาตัณหาในอารมณ์เป็นอันมากนั้นไม่เคยเกิดขึ้นแต่บุคคลก็สร้างให้เกิดขึ้นโดยการกําหนดจังการทำให้จิตแล่นไปในอารมณ์เหล่านั้นดังนั้นในกรณีของนกามาตัญหา ก็ทรงสอนให้ดูถึงตัญหาที่บังเกิดขึ้นดูจิตว่าการมาตัญหาเกิดขึ้นภายในจิตของเราหรือไม่ถ้ามีก็รู้ว่ามีถ้าไม่มีก็รู้ว่าไม่มีในกรณีที่รู้ว่ามีนั้นให้ปฏิบัติอย่างไรสอนในขั้นต่อไปว่าดูซิว่าการมาปัญหาเมื่อก่อนมันไม่เคยเกิดแต่ว่าเกิดขึ้นมาจากอะไร ก็รู้จักถึงแหล่งที่เกิดของตัณหาเหล่านั้นตัณหานั้นเป็นสมุทฐานของความทุกข์หรือเป็นเหตุของความทุกข์เป็นตัวสมุทยัยแต่สมุทัยมันก็เป็นผลจงเกิดขึ้นมาจากเหตุทั้งเหตุที่เป็นอดีตแล้วก็เหตุที่เป็นปัจจุบันมุงแก้จริงๆก็มุ่งแก้เหตุปัจจุบันซะก่อนสมุกกันก็จะพูดว่า อาจเกิดขึ้นจากการขาดความสารวมระวังคือตาสายไปดูรูปมากเกินไปหูสายไปฟังเสียงมากเกินไปน้าฟังไม่น่าฟังควรฟังไมคง่ควรฟังก็อยากฟังมันเรื่อยไปและในสุดตัญหาก็เกิดเพิ่มผูนขึ้นมองให้เห็นโทษของตัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละขณะนาดมีลักษณะแผดเผา คอยเกิดความเร่าร้อนกอเกิดความรุนแรงให้เกิดความทรัพย์ใสกระสิบใจคอยบงการความคิดคอยบงการจิตใจคอยบงการชีวิตของตนอยู่ก็มองหาวิธีที่จะดับตามปกติแล้วพวกกิเลสจะเรียกชื่ออย่างไรก็ตามจะทรงสอนในผู้ปฏิบัติมองให้เห็นโทษคือถ้าไม่มองเห็นโทษของสิ่งเหล่านั้นก็เลิกพูดกันเลย คือแก้ไขปัญหาอะไรไม่ได้จะต้องมองใอ้เห็นโทษและโทษนั้นต้องประจักษ์แก่ใจทีนี้การดูในขณะจิตนี่พจะดูได้ง่ายถึงแม้ว่าสิ่งเหล่านั้นจะเปลี่ยนแปลงและเกิดดับเปลี่ยวก็ตาถ้าตั้งสติระลึกดูจะเห็นว่าจิตมันเปลี่ยนจิตมีตัณหากับไม่มีตัณหาแตกต่างกันจิตไม่มีตัณหาจะสงบจะเย็น แต่ว่าจิตที่มีตัญหาจะเริ่มขยับขยื่นแล้วก็เปลี่ยนแปลงในสุดก็ร่าเร้อนดินน้นรนจนเกิดความ ร, าร่าเราะแล้วก็สายสายแล้วก็กระซิบ ก, กระซิบแล้วก็สายสายก็กระซิบซึ่งบุคคลอาจจะมองอาการสายไปของจิตที่เป็นรูปธรรมคือหมายความว่าไปบงการให้อิริยาบถต่างๆเคลื่อนไหวไปตามแรงกระ ต, ตุ้นเตือนแรงผลักดันก็ตัญหาแล้วอาจจะดูในขณะที่บุคคลซื้อของก็ได วิ่งคว้าจับนั้นหยิบสิ่งโน้นวางสิ่งนี้หยิบสิ่งนั้นวางสิ่งนั้นดูดูแล้วก็สายหน้าดูดูแล้วก็คว้าต่อไปนี่เป็นอาการของตัญหาที่ขึ้นขึ้ น, นลงลงวิ่งพร่นอยู่ภายในจิตแต่แกก็มีกําลังแรงแล้วก่อให้เกิดอาการขัดดันแล้วสร้างความเปลี่ยนแปลงความวิการทางกายทางวิจารออกมาแล้วนั่นคือลักษณะของตัญหาต้าว่าแกเกิดมาถักดันรุนแรงมากกว่านั้น จะถึงการต่อสู้การยื้อแย้งแต่เมื่อไม่สมหวังอีกฝ่ายหนึ่งก็เกิดโทสะแสดงออกมาในรูปของการประทุสลายทำลายล้างอีกฝ่ายหนึ่งแต่ก็ฝ่ายหนึ่งเกิดโทสะขึ้นมาด้วยก็เปลี่ยนจากตัณหามาเป็นโทสะก็ะต่อสู้กันแต่ความหลงเองก็เกิดเพิ่มพูนมากขึ้นภายในใจและในที่สุดเหตุผลสติปัญญาที่ควรจะใช้ค่อยๆต่างไปโดยลำดับ ลักษณะต้าหาพอเกิดเกิดเป็นจะคว้ามีลักษณะเหมือนกระปริงคือคว้าไปเรื่อยๆคือคลานไปเรื่อยๆแล้วก็สูบดูดสิ่งเหล่านั้นออกมาแล้วก็คว้าต่อไปนั่นก็คือลักษณะอาการของจิตที่ถูกครอบงนด้วยตัหาจิตจะเริ่มดิน้นในขณะเดียวกันก็ดิ้นตรงตรงอยู่ก่อน เราสังเกตคล้ายๆกับเราได้ของมาไอของที่รักใคร่พอใจต้องการฝ่าันปรารถนามานานแล้วก็ได้มันจะเพลินอยู่ในของนั้นระยะหนึ่งคือคล้ายๆกับดิ้นเป็นแนวตรงขึ้นไปแต่ว่าถึงจุดหนึ่งจะดิ้นสายดีวงออกไปต้องการสิ่งของสำหรับใส่สำหรับประดับสำหรับเพิ่มเติมในสิ่งเหล่านั้น นั่นก็คืออาจ า, ารย์ของจิต ท, ที่สายไปกับตันหาแล้วก็จะเพลิดเพลิอนอยู่ในสิ่งเหล่านั้นทั้งในชั้นของการรู้สึกพอยใจทั้งในชั้นของการสแสวงห า, างในชั้นของการได้ป่าทั้งในชั้นของการครอบครองด้วยความยึดถือว่าเป็นของเราและต่อจากนั้นจิตก็จะหมุนวนคือขวายคว้าไปหาสิ่งอื่นต่อไป การดูจิตในลักษณะนี้ก็พยายามบรรเทาลดกระแสความรุนแรงของตัณห า, าจะเปรียบเชิงรูปธรรมก็คล้ายๆกับการตรวจเช็คร่างกายคือดูร่างกายมีโรคอะไรเกิดขึ้นหรือไม่ก็รีบบาบัดนแต่ตรวจเช็คกันบ่อยๆอย่างในปัจจุบันนั้นก็มีกฎเกณฑ์มีเงื่อนไขกันกี่วันกี่เดือนกี่ปีจึงกี่ตัวโรคชนิดนั้นชนิดนี้กันสักครั้งหนึ่ ง, งนั่นก็คือดูถ้าหากว่ามีก็ได้รีบบรรเทาเจ้า ไม่ได้ปล่อยให้สะสมมากผมอยู่มากจนยากต่อการที่จะเยียวยารักษาการตรวจจิตนั้นเป็นช่วงที่เร็วกว่าการตรวจโรคทางกายแต่ว่าเป้าหมายในการตรวจก็เน้นไปในทางเดียวกันนั้นก็ต้องการความปลอดโรคนี่ก็ต้องการความปลอดตัาหาอย่างน้อยก็ถึงจะมีก็คุมแก่ไว้ได้ให้อยู่ในทิศทางที่เหมาะที่สวร ลักษณะของภาวะตันหาที่แปลว่าความทะเยอทะ ย, อทะยานอยากได้อยากเป็นอยากมีอยากเป็ น, ปนในฐานะต่างๆลักษณะเหล่านี้ถ้ามองให้ลึกซึ้งลงไปถึงก้นบึ้งของความคิดเต็มไปเรื่องที่น่าสังเกตอย่างหนึ่งว่าทั้งๆที่คนพอจะรู้แต่คนก็ไม่รู้ อย่างจำนวนที่ท่านพูดว่านกไม่เห็นฟ้าปลาไม่เห็น น, น้ำคือหมายความว่าเราก็อยู่กับสิ่งเหล่านั้นแต่เราก็ไม่เห็นสิ่งเหล่านั้นซึ่งเป็นความเห็นตามความจริงท่านนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าตัวปวัติตัญหาคือจิตที่ดิ้นไปเพราะความอยากมีอยากเป็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คืออยากเป็นอยากให้อยู่กับตนสืบๆไป แล้วดูเหมือนคนจะเข้าใจว่าชีวิตจะอยู่ได้ยืนหยัดยืนนานทั้ทงๆ ท, ที่ในบางเวลาบางขณะก็มีการสวดการสาธยายกันมีความแก่ความเจ็บความตายเป็นธรรมดาไปดูแล้วคล้ายๆจะยอมรับความแก่ความเจ็บความตายว่าเป็นธรรมดาแต่ว่าในเชิงปฏิบัติจริงๆก็ไม่แสดงให้เห็นว่าจะยอมรับอะไร ยังคงไขว่คว้ า, ย, วายังคงปรับนายังคงต้องการความเป็นอยู่ในด้านต่างๆที่เป็นแล้วก็เป็นเพิ่มขึ้นไปอีกต้องการเป็นเป็นเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆจนไม่มีที่สิ้นสุดท่นนี้เป็นเพราะอะไรเพราะตัวลึกจริงๆมันเป็นตะกอนอยู่ภายในใจที่ท่านเรียกว่าสัสตตตจิ คือสวนลึกจริงๆนั้นมองเห็นว่าสิ่งนั้นเป็นของเจี่ยงแท้แน่นอนชีวิตเป็นของเจี่ยงแท้แน่นอนความสุขในฐานะนั้นๆเป็นของเจี่ยงแท้แน่นอนเป็นต้นซึ่งเป็นอาการของโมฆะเป็นความหลงใจว่าตัวเองจะอยู่ในก่างฟ้าจึงพยายามยึดครองสิ่งต่างๆอำนาจต่างๆเอาไว้แล้วก็แสดงให้เห็นได้ บางคนอายุเจ็ดสิบแปดสิบแปดสิบกว่าแล้วยังรอบงาความเป็นน า, นาเอาไว้ต่างๆ ท, ที่ตัวเองทำไม่ได้แต่ขอก็ขอเป็นให้ได้ก่อนนั้นแสดงถึงอาการเหนียวอาการหนึบของภาวะตันหาที่เกิดขึ้นภายในใจแล้วก็จริงเราก็ไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดว่าเราเป็นเป็นจึงเป็นช่วงจังหวะขณะหนึ่งเท่านั้นเอง แล้ก็ดูสภาพอาการของใจที่ไขว้พวาดรัถนาเราเนี่ยเพียงแต่ได้เพิ่มสติปัญญาเหตุผลลงไปในกระแสของตัณหาก็เหมือนกับการเพิ่มน้ำบริสุทธิ์ลงไปในน้ำกรดมันก็จะสลายความรุนแรงของน้ำกรดลงไปโดยลำดับจนถึงจุดหนึ่งน้ำแบบนั้นก็ใช้ประโยชน์ในขนะอื่นได้ ช่นใดกรดีจิตใจของบุคคลก็มีลักษณะเหล่านั้นลักษณะเช่นนั้นคือถึงแม้จะมีตัทหาอยู่แต่ถ้าหากว่าบุคคลได้เริ่มสลายลงไปอาการเผยความด้วยความเป็นจนถึงก็บางครั้งบางคราวยื้อแย่งกันวิ่งเต่นลงทุนลงแรงไปซื้อหาความเป็นเหล่านั้นมาคนที่จิตใจเขาสูงขึ้นประณีตขึ้น เขาจะไม่สนใจว่าเขาจะเป็นอะไรแต่เขาสนใจว่าเขาจะทําอะไรตามฐานะที่เขาเป็นอยู่ในขณะนั้นนั้นนั่นหมายความว่าภาวะตานหาก็ยังมีการมาตานหาก็ยังมีแต่เป็นตานหาที่เราคุมได้ในสลายความรุนแรงความเข้มข้นของตานหาลงไปอย่างที่ท่านมหาตมรมคานธีได้พูดว่า ข้าพเจ้าต้องการถามตัวเองว่าข้าพเจ้าจะให้อะไรแก่อินเดียแทนที่จะถามว่าอินเดียจะให้อะไรแก่ข้าพเจ้านั้นแสดงให้เห็นว่าความเป็นก็คือความเป็นยังมีลักษณะของตันหาญอยู่แต่ก็ใช้ความเป็นที่ท่านเป็นนั้นให้เป็นประโยชน์จะถามเป็นประโยชน์แก่ใครเป็นประโยชน์ที่กว้างไกลมากยิ่งเึ้น เราลองเทียบเคียงออมาตุภูมิแผ่นดินถิ่นเกิดกับตัวเราถ้าจะเอาให้เที่ยงแท้ ย, ยั่งยืนแผ่นดินถิ่นเกิดก็ยั่งยืนมากกว่าเราเทียบเคียงกับศาสนาศาสนาก็ยั่งยืนมากกว่าเราเทียบเคียงกับชาติบ้านเมืองชาติบ้านเมืองก็ยั่งยืนมากกว่าเราพอถึงจุดหนึ่งคนก็ใช้ภาวะตันหาของตนคืนออาศัยความเป็นของตนให้เป็นประโยชน์ รวมเทชีวิตจิตใจความเพียรพยายามลงไปในเรื่องเหล่านั้นโดยมุ่งที่จะหาคําตอบว่าเราจะทําอะไรแทนที่เราจะเป็นอะไรใจจะคลายก็ ต, ตั้งคําถามว่าเราจะให้อะไรแทนที่เราจะได้อะไรหรือว่าเราจะประพฤติอย่างไรแทนที่เราจะเป็นอย่างไรเป็นต้นนี่แสดงถึงความตระนีตในด้านจิตของบุคคลเหล่านั้น ม่ดูแล้วมันก็ปรับได้ในกรณีที่รุนแรงมองเห็นโทษของความรุนแรงก็ลดความรุนแรงลงไปแต่เมื่อความรุนแรงเหล่านั้นอยู่ในวิธีทางที่ควบคุมได้ก็บังคับให้เดินไปในสายที่จะเป็นประโยชน์ังสร้างสรรพัฒนาตนเองและบุคคลอื่นซึ่งการปฏิบัติในลักษณะ น, น, นี้เราไม่จำเป็นว่าจะต้องขึ้นไปจนถึงชั้นสูง เป็นนักกินจัญญาัตนาชาติอะไรแต่ว่าผลนั้นจะเกิดขึ้นตามลำดับจาที่ทรงแสดงไว้แก่โมคลานกะคณะมกคลานกาะพนในพระพุทธศาสนานี้มีการศึกษาโดยลำดับมีการปฏิบัติโดยลาดับมีการสัมผัสผลโดยลำดับหรือมีการบรรลุโดยลำดับและนั้นก็คือกันดึงจิตของตน แยกออกจากกระแสของตัณหาหรือคุมกระแสของตัณหาให้เป็นไปาตามความต้องการของตนที่ยุติด้วยเหตุผลและความดีบุคคลก็จะได้ประโยชน์ทั้งในช่วงขณะ ด, ดูจิตในแต่ละขณะและช่วงยาวคือการดํารงชีวิตประจําวันของตนเป็นการปฏิบัติตนให้ผสมกลมกลืนด้วยธรรมะของพระพุทธเจ้ายอมได้รับความสุขความสงบจินเพิ่มขึ้นโดยล้ำ ด, ดับ ตอนนี้ไปก็ขอให้ตั้งใจงความสงบสืบต่อไป